โกรธเกลียดกันขับแค้นกันเองจะไม่แค่ร้ายต่อกันเองแต่มีผลร้ายไปถึงลูกถ้าไม่ทางอ้อมก็ทางตรงชัดแจง้งอย่ามีลูกจนกว่าจะรักกันมากพอจะรักลูกมากตั้งแต่ก่อนเขาเกิดมาที่ซานซีในเมืองจีนพออ่อโยนลูกน้อยอายุเจดวันออกมาจากหน้าต่างห้องพักชั้นส1 ขณดกำลังทะเลาะ ก, กันรุนแรงกับภรรยาลูกตายคนเป็นแม่แทบขาดใจตามที่ภูเก็ตในเมืองไทยพ่อแขวนคอลูกน้อยอายุส1บเอดเดือนและผูกคอตายตามหลังจากพยายามกลับตัวกลับใจแต่งอนง้อภรรยาไม่สำเร็จฟังข่าวเพิ น, พนคุณจะอยากสาปแช่งพ่อใจยักษ์ไม่เข้าใจว่าทำไมทำกับลูกด้ลงคอ แต่หากสืบสาวราวเรื่องจนกระจ่งคุณจะพบว่าพ่อแม่ของเด็กทั้งสองไม่ได้เกลียดลูกแต่แค้นแม่ของลูกอยากกระชดแม่ของลูกเกิดชั่ววูบของอารมณ์ดิบที่อยากทำให้แม่ของลูกเสียใจไปจนวันตายต่างหากโกรธเกลียดกันเองขับแค้นกันเองจะไม่แค่ร้ายต่อกันเองแต่มีผลร้ายไปถึงลูกถ้าไม่ทางอ้อมก็ทางตรงชัดแจ้ง ิ่งขั้นเป็นข่าวสะเทือนควันได้อารมณ์โกรธเกลียดไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันพาเราข้ามเส้นจิตสานึกความเป็นมนุษย์ได้ข้ามเส้นจิตสำนึกความเป็นพ่อแม่ได้ข้ามเส้นความกลัวตายกลายเป็นเปรดได้ข้ามเส้นความกลัวเกิดใหม่และถูกฆ่าได้ถ้ารักกันจริงรับผิดชอบกันและกันได้จริงจะมีผลให้รักลูกและพร้อมจะตายแทนลูก แต่ถ้ายังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ยังอยากสาปแช่งกันให้ตายไปข้างระวังอย่ามีลูกเพราะต่อให้รักลูกคุณก็พร้อมจะให้ลูกตายขอแค่ได้ระบายอารมณ์เป็นพอหมายเหตุภาพข่าวที่เราเห็นมันแค่นี้แต่ภาพที่เราไม่เห็นยังอีกมากครับทุกท่านช่วยกันนะครับ อย่าเอ า, อารมณ์เกลียดพ่อของเด็กมาเป็นตัวตั้งให้แปลความสงสารเด็กเป็นอารมณ์กุศลแล้วแผ่เมตตาเพื่อความสุขในใจอุทิศส่วนกุศลให้กับเด็กเพราะเด็กที่ตายทรมานจะหลงทางนานครับกองบุญใดที่ข้าพเจ้าประกอบแล้วในชาตินี้ขอจงมีอนิสงส์ช่วยดลใจให้วิญญาณของเด็กน้อยรู้สึกถึงความสว่างความเย็นและความสุขเท่ากับข้าพเจ้าด้วยเทิ มาเหตุผู้อ่านและควแผ่มเมตตาแบบนี้กับคนตายที่เราเห็นในข่าวในแต่ละวันด้วยนะครับยังน้อยผลดีที่ได้กับตัวเองชัดเจนก็คือการไม่สร้างบาปทางใจสะสมอกุิสลจิตที่หลายคนก็เผลอตัวทั้งสาบแช่งทั้งโกรธแค้นแทนคนตายซึ่งไม่มีอะไรดีทั้งกับตนเองและกับคนตายเลยนะครับมีแต่ข้อเสียล้วนๆมีแต่บาปล้วนๆมีแต่สะสมเหตุแห่งทุกข์มาให้ตัวเองล้วนๆก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ